ความสุขและความแบกบาทจงบังเกิดมีแด่หยัดโยมและผู้ใฝ่สัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายในโอกาสที่เราจะได้รดับรับฟังทำกันก็เป็นมงคลให้กับชีวิตของเราเอง การปฏิบัติธรรมเนะี่ยก็มีความสำคัญที่ไม่ย่อหย่อนกว่าการทำในกิจไนว่าเรื่องอะไรถ้าเราขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแล้วนะก็ดูมนว่าเราเป็นผู้ที่มีความ ทุกที่น้อยลงนั่นก็หมายถึงว่าสิ่งที่มาควนใจเราเองก็จะน้อยลงเพราะในที่สุดผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาสา ม, มารถที่จะละความสิ้นแห่งความยินดี ความสิ้นในความโกรธละความสิ้นในความลุ่มหลงทั้งหลายไม่ว่าจะด้วยความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายตลอดถึงในระยะเส้นทางแห่งความทุกข์ทั้งหมดที่เกิดอยู่กับใจ กับแค้นอยู่กับจิตใจไม่สบายใจความร่ำไรรำพันทั้งหลายทั้งหมดก็จะสงบและก็ระงับดับลงไปเพราะในเมื่อผู้ใดที่บําเพ็ญปฏิบัติจเจริญภาวนาแล้วนะ เขาจะอยู่แบบพิจารณาเห็นโดยอาการไม่เที่ยงนี่คือหลักสำคัญแล้วก็พิจารณาเห็นโดยอาการที่เป็นทุกข์มีสภาพทุกข์อยู่และในที่สุดก็พิจารณาเห็นโดยอาการเป็นความว่างเปล่าหรือเป็นอนัตตา นี่คือการเจริญในธรรมที่เกิดเราจะรู้ถึงอนิจจานุปัสสนาพิจารณาเห็นโดยอาการที่ไม่เที่ยงทั้งหมดจิตที่จดจอ่อใจที่จดจำชีวิตที่ได้นำทรมาเนี่ยจึงแช่ว่าเป็นผู้รู้ตื่น ในความไม่เที่ยงโดยอาการไม่เที่ยงเป็นผู้รู้เตือนโดยอาการที่เป็นทุกข์และสภาพทุกข์จนสามารถพิจารณาในอนัตตานุปัสสนาได้พิจารณาเห็นอาการอันเป็นอนัตตาเมื่อรู้อย่างนี้ มันก็เหมือนเทียนไม่ว่าใครเมื่อจุดเทียนแล้วเทียนไขมันก็ละลายแท่งมันก็เหมือนกันแม้เราจะกำหนดแสงอย่างไรมันก็ปรากฏโดยสภาพที่ไม่เที่ยงจะจุดอยู่ในที่มืดมันก็ไม่เที่ยง จุดอยู่ในที่สว่างมันก็ไม่เที่ยงฉะนั้นคนที่เขาเจริญในอนิจจานุปัสสนาก็พิจารณาเห็นโดยอาการไม่เที่ยงพอเราเข้าใจลักษณะธรรมที่มีโดยนัยยะของธรรมจริงๆแล้ว เราเองก็เห็นโดยอาการไม่เที่ยงจริงๆแต่มาบอกไงว่าพอเริ่มจุดเที่ยงพอเริ่มจุดเทียนแม้มันจะเปล่งแสงแต่มันก็ละลายแท่งจะ ก, กำหนดที่แท่งเทียนมันก็ไม่เที่ยงแม้กำหนดที่แสงเทียนมันก็ไม่ใช่วัดเที่ยง มันก็เกิดอาศัยเหตุเหมือนกันมันต้องอยู่ด้วยเหตุโดยอากาศออกซิเจนและมีการมาปรุงให้มีมวลสารที่เกิดเป็นแสงเป็นพลังงานขึ้นมาและมวลสารนั้นก็ไม่ตั้งอยู่มันก็มีปฏิกิริยาที่ เปลี่ยนไปอีกนั่นคือลักษณะที่เป็นอนิจจานุปัสสนาดังนั้นเลยแม้ยกกายมากาหนดก็เป็นอย่างนั้นแม้ยกใจมากาหนดก็เป็นเช่นนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นแม้ยกความคิดมากาหนดความคิดมันก็เป็นในลักษณะอนิจจานุปัสสนา เหมือนกันหยิบกองลมมาพิจารณามันก็เป็นอนิจจานุปัสสนาหยิบผมมากำหนดพิจารณาก็เป็นอนิจจานุปัสสนาทำไมต้องมีดำมีขาวแล้วก็มีหลุดหลุดร่วงไปมันก็เกิดจากอนิจจานุปัสสนากำหนดเอารูปกายก็เห็น ไวสูไวมันก็บอกผิวพันธ์มันก็บอกโดยลักษณะของอนิจจานุปัสสนาความสงสัยมันไม่มีสำหรับบุคคลที่กำหนดได้แล้วก็เห็นแล้วก็ทราบชัดในสภาพความจริงอย่างนี้จึงเรียกว่ารู้แจ้ง แล้วก็รู้แจ้งธรรมด้วยนะคือสิ่งที่มันมีอยู่จริงๆเพียงแต่เรามากำหนดกำหนดกฎเกณฑ์ตามความเป็นจริงที่มีสภาวะอย่างไรเราก็รู้อย่างนั้นเขาแปลอย่างไรเราก็รู้อย่างนั้นเขาแตกดับอย่างไร เราก็รู้อย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่ารู้แจ้งและไม่คัดค้นธรรมะไม่ไปเอากิเลสของใจเราเข้าไปมารุ่มหลงพอใจติดยึดเสียใจร้องห่มร้องไห้ขับแค้นใจทุกใจเนี่ยเราไม่ต้องเข้าไปทุกเพิ่มกี่คนกี่ชีวิตก็เป็นเยี่ยงนี้และก็เป็นอย่างนี้เป็นเช่นนี้ มันสืบกันมาสันติมันสืบต่อกันมาอยู่เพียงแต่เราไม่กาหนดจริงไม่กาหนดจริงก็เลยไม่รู้แจ้งทำไมจริงมีคาว่าฟังทำแล้วพลันรู้พลันรู้แจ้งนะพลันรู้แจ้งได้ก็ได้ไปพิจารณาเห็นสภาพธรรมจริงๆ ไม่มีอะไรมั่มบังไม่เอาความโศกมาบังไม่เอาความทุกข์มาบังไม่เอาความครับแค่นใจมามับังไม่เอาความโลภมั่บังไม่เอาความรักความชังมาบังสิ่งนี้ก็ปรากฏชัดขึ้นไม่เอาตัวตนของเรามั่มบังคือเรามองให้เป็นธรรมะ คนตายตายทุกวันแต่พอคนใกล้คนใกล้ตัวคนใกล้ตัวตายเราเอาความโศกมาบังเอาความทุกข์มาบังเอาความร่าไรรำพันมาบังคนอื่นตายก็เฉยๆได้ไม่เห็นทุกข์ร้อนใจไม่เห็นต้องร่าไรราพัน เขาก็ตายทุกวันเผากันทุกวันเพราะเราไม่เข้าไปมั่นหมายไม่ไปปรุงยึดถือว่านั่นของเรานั่นตัวนั่นตนของเรานั่นคนที่เรารักนั่นคนที่เราเกลียดนั่นคนที่เราช่างมันอยู่ที่ว่าใจเรา เห็นอนิจจานุปัสสนาพิจารณาเห็นโดยอาการไม่เที่ยงจริงไหมถ้าพิจารณาจริงโลกธรรมย่ำยีใจไม่ได้เพราะใจเห็นสภาพไม่เที่ยงมันก็เลยไม่มีอะไรต้องเที่ยงกับสิ่งนั้นนี่คือตรงในสภาวะธรรมที่เป็นปรมัติ ของปัญญาอันรู้แจ้งในธรรมปัญญาอันรู้แจ้งในเรื่องของรูปนามยิงพอพูดถึงปรมัตถ์ท่านบอกไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขาสักว่าธาตุตามธรรมชาติชีวะที่มีชีวะที่ตั้งชีวะที่เกิดชีวะที่ดับโดยเหตุและก็ดับไปโดยเหตุ เขาไม่พูดว่าต้องเสียใจกับสิ่งที่มีโดยเหตุดับโดยเหตุไม่มีเพราะฉะนั้นมนุษย์เราแม้สัตว์ทั้งหลายจิงจมอยู่กับสภาพของทุกขเวทนาเรายังไม่ออกยังไม่ออกจากความทุกข์จริงเพราะ เราไม่ได้มองว่าความทุกข์มันเป็นธรรมะเรามองว่าความทุกข์มันเป็นตัวเราเรามองว่าความทุกข์มันเป็นของเราเราไม่ได้มองว่าความทุกข์เป็นธรรมะตลอดถึงความสุขเป็นธรรมะพวกเรานี้ผิดพลาดตรงนี้เยอะมากเราไม่ได้มองลูกเป็นธรรมะ มองว่าเป็นของเราไม่ได้มองสามีเป็นธรรมะมองสามีเป็นของเราไม่ได้มองภรรยาเป็นธรรมะมองภรรยาเป็นของเราไม่ได้มองทรัพย์สมบัติสิ่งของที่มีเป็นธรรมะมองว่าเป็นของเรานี่แหละความม่นหมายที่เราไม่รู้วิธีปฏิเสธ แต่รู้แต่วิธียอมรับในความมั่นหมายยอมรับในความเป็นตัวตนยอมรับว่าเป็นของของเรายอมรับว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เรายึดถืออยู่เท่า น, นั้นเองเพราะเหตุนี้เราเจึงไม่พ้นทุกได้ไม่ออกจากทุกได้ดูเหมือนชีวิตมนุษย์ยังไม่แข็งแรงพอที่จะปฏิเสธตัวเอง ในความทุกข์เราจรึงยึดถือก็ดูมีแต่พระอริยะพระอาหารหันต์ท่านแข็งแรงที่ปฏิเสธตัวตนปฏิเสธในความเป็นเรายึดมัน่นในความเป็นเขายึดมัน่นท่านยอมรับเพียงสภาพธรรมไม่ว่าเล็บขนฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก ท่านพิจารณาโดยอนิจจานุปัสสนาหรือทุกขานุปัสสนาและอนัตตานุปัสสนาและท่านก็ไม่ได้ยึดในการพิจารณาธรรมเพียงแต่ว่าธรรมเป็นไปเช่นไรท่านก็ไม่เสียใจด้วยและไม่ได้ติดอยู่กับความดีใจด้วย แม้สิ่งนั้นเป็นอนดีตรหรืออนาคตและปัจจุบันท่านไม่ร่ำไรและรำพันกับโรคภัยไข้เจ็บหรือความแข็งแรงเพราะท่านรู้ไม่ว่าสิ่งไหน เราก็ได้เพียงใช้สัมผัสไปตามเหตุและมันก็แปลไปตามเหตุท่านรู้แล้วท่านยึดมาพอท่านรู้ท่านกำหนดได้และท่านก็เห็นความจริงทั้งหมดเมื่อเห็นสภาพความจริงทั้งหมดจิตนั่นแหละ ไม่มีสิ่งที่เรียกว่ามานหรือเดรัจฉานวิชาคือไม่มีสิ่งมาขวางและขวางกั้นหรือสิ่งที่มากั้นจิตไว้ไม่ให้บรรลุคุณธรรมในชั้นสูงท่านรู้แล้ว ยิ่งกว่าเอกราทั่วทั้งแผ่นดินยิ่งกว่าขึ้นสวรรค์คาไลยิ่งกว่าอธิปไตยในโลกนั่นก็คือจิตอันอยู่ปราศจากความหลงทั้งหมดเราได้ดำเนินชีวิตและใช้ชีวิต และพร้อมที่จะจากทุกอย่างในชีวิตด้วยใจที่ดับเย็นจึงบอกยิ่งกว่าเอกการาทั่วทั้งแผ่นดินยิ่งกว่าขึ้นสวรรค์คาไหลา ย, ยิ่งกว่าอธิปัตายไปในโลกลายิ่งกว่าทั่วลาดในแผ่นดินคือดับเย็น มนุษย์หาสมบัติดูมีแต่เร่าร้อนแต่มนุษย์ไม่ได้หาสมบัติเพื่อความดับเย็นเพราะมนุษย์มากไปด้วยความมั่นหมายในตัวตนมั่นหมายในของของเราทั้งนั้นที่ตัวตนกำลังจะแตก ทั้งทั้งที่ตัวตนกําลังจะสลาย ท, ทั้งทั้งที่ชีวิตรันที่จะมาลายอยู่แล้วแต่ยานที่ยังไม่เกิดเนี่ยก็ยังไม่สํารอกกิเลสยังไม่สํารอกกิเลสอันว่ากิเลส ก็ย่อมพอใจในความอยากความปรารถนาความใคร่ความยินดีความกำหนัดความมากๆและสแสวงหากรรมคูนให้ยิ่งขึ้นในที่สุดเขาใช้ชีวิตของเราไปสู่ความทุกข์ที่ไม่ออกจากทุกข์เพียงแลกมาด้วย สุขที่ไม่เที่ยงเท่านั้นเองกายที่ไม่เที่ยงทรัพย์สมบัติที่ไม่เที่ยงรูปเสียงกลิ่นรสที่ไม่เที่ยงสิ่งนั่นเองหรือที่มนุษย์ไ ข, ขว้คว้าได้มาแล้วก็ต้องจากมีน้า ผู้ที่ข้ามกระแสไปถึงฝั่งพระนิพพานได้จึงไม่แยแสไม่ว่าเรื่องรถของการกินเรื่องการแสวงหากรรมมุณและการแสวงหาเอกละก ความมักใหญ่ไฟสูงท้ายมันก็แก่ชราลงแล้วก็หมดลงทุกอย่างยมเชื่อไม่ไม่ให้เป็นนักรบที่เคยเข้มแข็งใส่เสื้อกรับอันดีเลยละ่ะแต่ในที่สุดไม่สามารถที่จะรับน้ำหนัก ในเครื่องทรงตัวเองได้นั่นก็คือกำลังหมดซึ่งไม่ต้องมีใครมาสู้กันสุดท้ายท่านก็แพ้ความชารามนุษย์ยังไม่ชนะทุกเรื่องไม่ชนะทุกอย่างไปถึงเวลานหนึ่งทุกคนแพ้ความชาราทุกคนแพ้โรคา และทุกคนก็แพ้มัจโจราชไม่มีกำลังที่จะดิดดิ้นแม้จะกินอาหารแม้จะยันกายให้ขึ้นมานั่งและสุดท้ายแม้แต่ลมที่จะหายใจสุดท้ายก็ลมฟุบลง แล้วก็แปรสลายธาตุดินก็เป็นดินไม่เป็นเราลมไฟน้ำก็สลายไปตามเหตุไม่ใช่เราถึางแช่ว่าเป็นสักวทาฏมันก็เท่านี้พระอาหารหันตพระอริยะท่านเห็นท่านรู้ท่านจริงไม่แบก เรื่องการปรุงแต่งจิตที่ทำให้ท่านต้องหลงอยู่กับขายดักสัตว์หรือเหยี่อล่อให้สติกับฉะนั้นพวกเราต้องระวังกันนิดเนี่ยถึงต้องใช้คาว่าให้เจริญสติให้มากพอสติเจริญได้จริง จะรู้ความเกิดดับเรื่องจริงนะเมื่อไรผู้บำเพ็ญเจริญสติได้มากจิตจะรู้ถึงความเกิดดับนั่นก็คือสติสามารถที่จะระลึกได้รู้ได้เมื่อรู้แล้วพบมันจะเปลี่ยนทันทีนะ ท้าเหมือนกับว่ารหัสเนี่ยได้เปลี่ยนรหัสเปลี่ยนเลยทางดำเนินเปลี่ยนเส้นทางสายใหม่โลกแห่งพระมะคาเนนะเปิดการดำเนินเป็นไปเพื่ออริยมรรคอริยผลไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นใจเพื่ออริยมรรคอริยผลความเพียร ที่ไม่เกิดก็เกิดอาชีพที่ผิดก็เลิกการงานที่ไม่ถูกก็เลิกสมาธิอันตั้งไม่ถูกก็เลิกบาจ่าอันไม่ชอบก็เลิกใจดำริอันผิดก็เลิกชันทะที่ไม่เกิดก็เกิด ฉันทะที่มีอยู่ในธรรมไม่ใช่มีอยู่ในบุคคลของพวกเรามันเกิดจากบุคคลแต่ไม่เกิดจากธรรมของเราจนมากเอาวัตถุสิ่งของมาเป็นบําเหน็จให้กับชีวิตแต่แต่พระอริยะเอามรรคผลให้กับชีวิต ซึ่งไม่ใช่เป็นวัตถุสิ่งของไม่ใช่เป็นสิ่งที่ใจสัมผัสได้วัฒน์ได้รับสิ่งที่ประเสริฐสุดคือความบริสุทธิ์ใจใจที่มีอิสระไม่ถูกกิเลสใช้ใจที่ไม่ถูกยอมและไม่ต้องเหนื่อยอยู่ในสังสารวัฏ ที่ต้องเกิดต้องตายต้องเกิดต้องตายต้องตายต้องเกิดท่านรู้แล้วท่านรู้แล้วสิบนิ้วประนมก่อนขึ้นเหนือเสียนต่างทูปเทียนกํยานและเครื่องหอมสการะพระไตรรัตน์ด้วยนอบน้อมเตรียมจิตพร้อมให้ร่มเย็นเป็นนาบุญ เสียง อ, อนันใดไพเราะสนอแล้วเสียงสรรเสริญรัตนแก้วสนอยิ่งส้อยอักษรแห่งสัจจะความเป็นจริงช่างเพาะพริงกว่าเสียงใดในโลกาก็แสดงว่าในครั้งพุทธกาลเนี่ย พระผู้มีพระภาคได้แสดงธรรมเปร่งประสุรเสียงบรรเลือสีหนาะดด้วยธรรมได้ปลุกได้ปลุกจิตบิญญาณที่หลับโดนสะกดอยู่ด้วยกิเลสภายในใจให้ตื่น ชุบชีวิตให้ดวงจิตได้รู้ทางของจิตที่บริสุทธิ์ฉะนั้นต้องมาเจริญอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาและก็อนัตตานุปัสสนาถ้าเราไม่พิจารณาเนี่ย เราเองก็ไม่รู้เหมือนที่เราเป็นมา <c oughs> ไม่ต้องใครผู้บรรยายก็ไม่รู้เหมือนกันในก่อนก่อนนั้นเพราะเราไม่ได้รู้ธรรมะของเราถูกสอนแบบชาวโลกที่อยู่กับโลกต่อสู้เพียงคาว่า เ, เชือโรกกันและต่อสู้กันเพียง ต้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัยในความเกิดเท่านั้นเองแต่ไม่ได้ถูกสอนให้ออกไปจากความหมุนมองของโลกความโศกโร้ของใจความอลัยของชีวิตความยึดติดอยู่กับสิ่งที่มีเราไม่ได้ถูกสอนเราถูกสอน กำไรเข้าไว้เอาผลประโยชน์เข้าว่าได้มาคือสมหวังผิดหวังคือเสียไปใจของมนุษย์ก็หลงไหลกันอยู่อย่างนี้ไม่รู้นานสักเท่าไหร่ที่ผ่านมาและจะนานอีกสักเท่าไหร่ที่จะต้องผ่านไปอีก ฉะนั้นบัดนี้เราจรึงต้องรู้การตรีตรองให้รู้จักโดยมีใจที่วางให้มีอุบายที่ชอบทำไมทุก อ, อย่างของพวกเราต้องเอาเหตุผลว่าต้องได้เป็นวัตถุและจึงบอกคุ้มทำไมเราไม่เคยว่าวันนี้เราได้ใจมาวันนี้เราได้ความ บริสุทใจมาวันนี้เราได้ความความอิ่มใจมาบ้างหรือวันนี้เราได้บุญมาบ้างเราไม่รู้เลยเดอนบางคนยังไม่รู้ว่าบุญคืออะไรเขาไม่รู้เขารู้แต่บาปชั่วเขารู้เขาบอกทำดีทำยังไง บางคนก็บอกถ้าพอใจนั่นแหละดีก็บอกมิหน้ามนุษย์ถูกสร้างกฎเกณฑ์ไม่เยอะมากเพื่อปราบคนที่เป็นมิจฉานะให้อยู่ในกรอบแต่ก็ดูเหมือนไม่ได้ห้ามได้เต็มร้อยดาบใดคนยัง ละเมิดศีลธรรมอยู่กฎหมายก็ถูกละเมิอดอยู่ทุกวันแต่มาดูแลจะให้คนไม่ละเมิดกฎหมายต้องเริ่มจากไม่ละเมิดศีลธรรมก่อนแก้ไปเถอะกฎหมายกี่ฉบับถ้าไม่ประพฤติศีลธรรมแล้ว เรื่องที่เป็นมาในอดีตอย่างไรอนาคตก็ยังเป็นเช่นนั้นและปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นอยู่การศึกษาพัฒนามาเท่าไหร่ก็ดูเหมือนว่ามันยังไม่ใช่ทางที่จะหยุดการละเมิดในกฎหมายฉะนั้นเมื่อไหร่การไม่ส่งเสริมให้คนได้ละ ความชั่วไม่ส่งเสริมเรื่องศีลธรรมแล้วนะดูเหมือนทุกอย่างเป็นปลายเหตุของการแก้ไขปัญหาไม่ใช่ต้นเหตุไม่ใช่แต่ความให้ความสนใจให้ความทุ่มเทจริงเรื่องของศีลธรรมน้อยมากแต่ดูเหมือน พอเกิดอะไรขึ้นก็หยิบยกศีลธรรมมาพูดกันทุกครั้งไปมันเป็นทางทางออกเพื่อหาคำสรุปแต่ไม่มีคำสรุปมันเป็นเรื่องเศร้าที่สแสวงหาแต่วัตถุอำนาจมันก็โยโว ย, วยวนควรใจ เราดูเหมือนใครได้มาก็าดูมันจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ดูเหมือนจะเป็นผู้หาผลประโยชน์ได้ง่ายเขาทำงานกันมาเป็นทั้งชีวิตกว่าจะพบเงินล้านหลายๆ ล, ล้านแต่คนพมมีอำนาจเข้าไปแค่วันเดียวรวยแล้วมีคนเสนอ ผลประโยชน์แต่เราต้องตอบแทนเขาโดวยวิธีการสารพัดที่ต้องสนองเพื่อให้เขาได้สิ่งที่เขาต้องการเช่นเดียวกันแล้วการละเมิดกฎหมายมันจะหมดอย่างไรเพราะการละเมิดกฎหมายทาได้ทุกรูปแบบไม่ต้องมีบินด้วยนะ ไม่ต้องรับใบเสร็จมันก็ละเมิดแล้วไม่ต้องมีพยานมันก็ละเมิดโดยเฉพาะศีลและธรรมตรรมบอกได้เลยว่าพวกเรายัางเดินไม่ถูกทางมันดีคืนดีผู้มีอำนาจก็ มากล่าวตู่ว่าเพราะศิลธรรมย่อยหย่อนพระสงไม่ค่อยสั่งสอนหรือสั่งสอนแล้วไม่ได้ผลนี่ยเลิกคำเก่าๆทีนะเลิกเลิก เพราะดูเหมือนเราไม่ได้ให้ความสำคัญจริงจริงๆมันไม่ใช่พระสงฆ์อย่างเดียวที่จะมาทำโลกแบนี้ให้หน้าอยู่ทุกคนต้องเติมให้เต็มไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพอเกิดเรื่องขึ้นมาก็ขอความร่วมมือกับประชาชนทุกฝ่ายให้ร่วมมือจึงจะสำเร็จได้ แต่พอบันดีขึ้นดีพอคุณธรรมเสื่อมศีลธรรมตกต่ายาพระอีกแล้วก็ตำรวจมีทำไมผู้ร้ายไม่หมดตอบสิตำรวจมีทำไมผู้ร้ายไม่หมดปืนก็มีอานาจก็มีคุกตารางก็มีเต็ไมไปหมด วันนี้ขึ้นนี้ว่าพระอีกแล้วพระสอนศิลธรรมไม่เข้าสู่ประชาชนจริงๆประชาชนไม่เข้าสู่ศิลธรรมพระท่านเนี่ยพร้อมอยู่แล้วมีการเผยแผ่อยู่แล้วเราไม่ตั้งใจที่จะน้อมรรมาปฏิบัติน้อมศีลมาปฏิบัติ และมันจะได้ผลอย่างไรก็เหมือนกับการเรียนทฤษฎีแต่ไม่มีภาคปฏิบัติทฤษฎีนั้นก็ไร้ผลฉะนั้นอย่าให้ธรรมะและศีลธรรมเป็นทฤษฎีแต่มขอตรงนี้แล้วเลิกเสีทีเรื่องโบยมาให้พระ เรื่องว่าพระไม่เข้าถึงประชาชนไม่พระสอนไม่มีศักยภาพพอพระเลิกเลิกต้องถามว่าทุกวันนี้ประชาชนคนในชาติเราเนี่ยเคารพศีลธรรมแค่ไหน เชื่อฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเพียงไหนเราน้อมมาปฏิบัติเริ่มต้นจริงวันเดียวนะคนในชาติของเรานี้ดีหมดเลยทำไหมทำไหมถ้าทำเนะี่ยมันได้ผล ไม่ได้คำสอนไม่ได้ผลทฤษฎีอย่างเดียวไม่ได้ผลต้องปฏิบัติตามตมายืนยันว่าที่พร่องอยู่คือเราไม่ปฏิบัติตามไม่ใช่พระเข้าไม่ถึงไม่ใช่เข้าถึงเข้าถึงแต่เราไม่น้อมใจ ไม่น้อมกายไม่น้อมวาจามาปฏิบัติเรากําลังหลงสมบัติมากกว่าเรากําลังเยอะแย่งกันมากกว่าแม้แต่พี่น้องก็แย่งกันพ่อแม่ยังห้ามไม่ฟังเลยและจะมาโทษพระนะไม่ใช่นะผู้ก่อการร้ายเขาจะยิงพระเลยโทษพระได้ไหม ขณะพระยังโดนเลยลแล้วแลวอย่างหนึ่งบางเรื่องบางอย่างเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเราเองก็ลงเส้นจนแหมเหมือนความดีหมดไปแล้วจากผู้ปฏิบัติธรรมบางที คือทุกอย่างมันต้องวงเล็บพูดอะไรให้มันมีขอบเขตเป็นรายรายเป็นบุคคลไปอย่ามอรวมไม่ได้ถ้ามอรวมแล้วมันก็เรียกมันเสียภาพภาพรวมมันเสียพอเสียแล้วกว่าจะสร้างภาพขึ้นมาใหม่และโดยเฉพาะถ้าสื่อไม่ช่วยกัน ภาพที่เสียมันก็เสียไปเลยพอถึงเวลาอีกก็มาเรียกอีกพระไปไหนอยู่เนี่ยอยู่อยู่พระยังอยู่แต่รามว่าโยมไปไหนเพิ่งโผล่มาโอโดนก็ไล่ฟันมายังวิ่งมาพระ ไอ้พระช่วยพระบอกช่วยไม่ได้แล้วเพราะอนุมันโกรธจัดแล้วเดี๋ยวพระก็จะโดนไปอีกองคหนึ่งด้วยฉะนั้นต้องยอมรับว่าศิลธรรมยังอยู่ผู้สอนศิลธรรมยังมีศักยภาพอีกเยอะเพียงแต่ ว, ว่าประชาชน ไม่น้อมกายวาจาใจมากระแสชนเราไม่สร้างในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาปีปีปหนึ่งไม่เห็นเลยว่าจะมีการประโคมสร้างศีลสมาธิปัญญาศีลทานภาวนาเปล่าข้าคมคืนยิ่งฟันโกววันไอ้ ว, นนวันดีคืนดีก็เอาพระเนี่ยลงไปเป็นข่าวด้วย เขาก็เบื่อเห็นหน้าทุกวันเขาก็เบื่อพอเห็นหน้าอีกแล้วเห็นไหพระยังอยู่ยังอยู่อยู่อีกเยอะมากเชื่อเถออายุธยาไม่สิ้นคนดีแต่สิ้นคงกู้ชาติไม่ได้ดอกพระสงฆ์องค์เนรยังดีถ้าไม่ดีาศาสนาก็ไม่มีใครสืบทอดแล้ว ให้โยมเนี่ยนะสืบทอดกันฝ่ายเดียวคงไม่เกินสองเดือนก็หมดแล้วมันต้องช่วยกันร่วมกันสร้างสารรค์กันมันถึงจะไปได้ฉะนั้นยืนยันว่าพระยังอยู่ศีลและธรรมยังอยู่แต่ประชาชนและผู้นำของชาติน้อมมาหรือเปล่า สื่อน้อมที่จะเขียนเรื่องศีลสมาธิปัญญาลงให้มันถี่ทุกวันได้ไหมสร้างภาพใหม่ขึ้นมาแล้วสิ่งนี้ก็จะดีโดยลำดับโดยลาดับโดยลาดับเอาละ่ะก็ขอสมมติยุติแต่เพียงเท่านี้ก็จงได้รับความสุขทุกท่านทุกคนเทิน